พูดผีปีศาจเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มความอาถรรพ์ให้กับป่าดวงดิบแล้วก็ป่าลึกนะคะเปลี่ยนป่าธรรมดาให้กลายเป็นป่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของอาถรรพ์แล้วก็เรื่องของความหายนะตามตำนานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตาทวดก็ได้เล่าลือถึงบรรดาวิญญาณร้ายที่อยู่ในป่าอย่างมากมายหลายชนิดวิญญาณร้ายที่ผู้คนกล่าวถึงกันมากเมื่อเดินเข้าป่าหากเป็นสัตว์ก็ต้องยกให้กับเสือสมิง แต่ว่าหากเป็นวิญญาณที่สิงสถิตในต้นไม้ใบหญ้าก็คงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่รู้จักนางไม้ซึ่งเป็นวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ดอกไม้หรือแม้กระทั่งต้นหญ้าค่ะ มีความรู้สึกคล้ายๆกับคนแล้วก็สัตว์ทั้งดีใจเศร้าโศกหรือว่าความโกรธความหวาดกลัวแล้วก็การปรากฏตัวของนางไม้นั้นใช่ว่าจะปรากฏได้ง่ายเหมือนกับวิญญาณอื่นๆแต่ว่าจะเกิดการปรากฏกายขึ้นในบางครั้งเท่านั้นหากว่าสิ่งที่เข้าไปกระตุน้นไม่ว่าจะเป็นการลบลูหรือว่าจะเป็นการถูกผู้มีบารมีสูงนะคะผ่านมาท้งนั้นนางไม้ที่อยู่ในตำนานแทบจะมีอยู่ ทุกชนชาติบนโลกแม้ว่าจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่ก็แสดงให้เห็นค่ะว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงสำหรับตำนานเกี่ยวกับนางไม้ในเมืองไทยนั้นมีอยู่มากค่ะแต่ว่านางไม้ที่เป็นที่รู้จักกันมากมายนั้นมีอยู่ด้วยกันไม่กี่ชนิดยกตัวอย่างเช่นชนิดแรกก็คือรุขาเทวา อันนี้เป็นนางไม้กึ่งเทพที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้โดยเฉพาะส่วนมากจะพบตามต้นไทรแต่ว่าต้นไม้ชนิดอื่นก็มีให้เห็นเหมือนกันค่ะมักจะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็ผู้มีบุญญาธิการบางครั้งก็ปรากฏการในรูปของผู้ชายหรือว่าก็เป็นผู้หญิงเนะะี่ยค่ะแล้วแต่ว่าต้นไม้ต้นนั้นจะเป็นต้นไม้แบบไหนซึ่งในวรรณคดีไทยก็ยังคงเป็นที่กล่าวถึงกันอยู่บ่อยครั้งค่ะ ตามที่เล่าขานกันมาต้นไม้ทุกต้นก็ใช่ว่าจะมีรุกขาเทวาไปสะทุกต้นนะคะเล่ากันว่าต้นไม้ที่มีรุขขาเทวาสิงสถิตยอยู่นั้นก็ต้องเป็นต้นไม้ที่มีแก่นความสูงไม่น้อยกว่าหนึ่งคืบแล้วก็รากต้องสัมผัสลงดินซึ่งหากว่ามีการเข้าไปทําลายต้นไม้ดังกล่าวรุขขาเทวาก็จะย้ายไปสิงสถิตต้นอื่นแทนแต่สําหรับรุขขาเทวาบางองค์ที่มีบารมีสูงค่ะก็จะส่งผลให้เกิดเหตุอถาถรรพ์ขึ้นกับผู้ที่ลบหลู่ รูปขาเทวานั้นถือว่าเป็นวิญญาณที่ใกล้จะเป็นเทพแล้วแต่ว่าเพราะท่านทำบุญอย่างไม่ครบถ้วนจึงทำให้ผลบุญนั้นได้ผลออกมาไม่เต็มที่กลายเป็นวิญญาณกึ่งเทพอย่างที่เห็นกันค่ะ ดังเช่นเรื่องราวของคนรับใช้คนหนึ่งของท่านอนาถบินทะกะเศรษฐีที่เผลอออกไปทำงานในวันพระด้วยความไม่รู้พอกลับมาตอนเย็นนะคะก็ได้รู้ว่าเป็นวันพระโดยตอนเชา้าทุกคนในบ้านก็ไปทำบุญที่วัดกันหมดก็คงมีแค่เขาคนเดียวค่ะที่ขาดการทำบุญในวันนั้นชายคนรับใช้ดังกล่าวก็เลยขออุโบสถศีลโดยการไม่กินข้าวตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงเช้าของอีกวันปรากฏนะคะว่าการทางานหนักมาทั้งวัน แถมยังไม่ได้กินข้าวเย็นทําให้โรคลมนั้นกําเริบแม้ว่าใครๆจะขอร้องให้เขากินข้าวแต่ว่าชายคนนั้นก็ปฏิเสธค่ะโดยเขากล่าวว่าหากรักษาศีลเพียงแค่ครึ่งวันยังทําไม่ได้จะรักษาศีลที่ยิ่งใหญ่กว่านี้จะทําได้อย่างไรสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตในคืนนั้นวิญญาณของเขาก็ได้กลายไปเป็นรุขะเทวาเสียงสถิตอยู่ในต้นไม้เพราะว่าการทําบุญครั้งนั้นยังไม่สมบูรณ์พร้อมนั่นเองค่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของผีขโมดบ่อยครั้งนะคะที่เราได้ยินเรื่องเล่าของผีขโมดเกิดขึ้นในกลุ่มของนักล่องไพรทั้งหลายบางคนค่ะก็เจอกับตัวเองจังๆบางคนก็ได้ยินได้ฟังจากคนอื่นมาอีกทีนึงนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่ยืนยันนะคะว่าผีขโมดนั้นมีอยู่จริงแล้วก็ความอันตรายของมันเนี่ยไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าวิญ ญ, ญาณร้ายอื่นๆในป่าดงพงพีเลยนะคะตามตำนานเกี่ยวกับผีขโมดนั้นอาจจะมีมาก แต่ว่าเท่าที่พอจะจับต้นชนปลายได้ชื่อของผีขโมดมักจะอยู่ในวรรณกรรมหลายเรื่องอย่างเช่นในตำรากำเนิดเทพของอินเดียค่ะได้กล่าวเอาไว้บอกว่าในครั้งที่พระอีสวรทรงสร้างโลกแล้วก็เริ่มที่จะสร้างสิ่งอื่นตามมาพระองค์ได้ทรงสร้างพระราหูจากหัวผีขโมดสิบสองหัวโดยนำหัวทั้งหมดห่อด้วยผ้าดา จากนั้นก็บดเป็นผงละเอียดแล้วก็พรมน้ำมนตลงไปไม่นานก็เกิดเป็นพระราหูขึ้นมาค่ะโดยลักษณะของพระราหูนั้นเป็นเทพกึ่งอสูรมีร่างกายส่วนล่างเป็นงูแล้วก็ปลายส่วนหางยังมีหัวผีขมวดติดอยู่อีก2หัวนอกจากนั้นนะคะบางตำราก็บอกว่าผีขโมวดนั้นมีลักษณะเป็นดวงไฟลูกโตลอยไปมาในช่วงเวลากลางคืน ชอบอยู่ในบริเวณที่ชื้นแฉะแล้วก็คอยหลอกลวงคนที่เดินป่าในเวลากลางคืนให้หลงป่าเพราะคิดว่าดวงไฟดังกล่าวนั้นเป็นคบเพลิงก็เลยเดินตามไปเรื่อยๆค่ะรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คืออยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าบางตำรานะคะก็บอกว่าผีขโมดนั้นมีความหมายตามภาษาเขมรบอกว่าเป็นผีทั่วไปซึ่งมีรูปร่างหน้าตาหน้ากลัวเชกเช่นผีที่ธรรมดาควรจะเป็นนะคะ ในวรรณคดีไทยชื่อดังอย่างสังทองเองค่ะก็มีการกล่าวถึงผีขโมดเอาไว้เหมือนกันในตอนที่6เขยต้องไปแข่งกันตกปลาแล้วก็ถูกพระสังเนี่ยที่แปลงกายเป็นรุขะเทวามาตัดเอาใบหูของแต่ละคนเพื่อแลก ก, กันกับปลาภายหลังเมื่อเท้าสามมนเห็นทั้ง6เขยจึงกล่าวออกมาว่าผีขโมดกโกรธ กัดเอาใบหูทําให้คิดได้นะคะว่าผีขโมดตนนั้นน่าจะเป็นผีที่ชอบกินเนื้อแล้วก็กินเลือดหรือว่าจะเป็นของขาวต่างๆซึ่งก็ตรงกับคําบอกเล่าของพรานเท่าผู้หนึ่งค่ะที่เล่าเอาไว้ว่าในสมัยที่ท่านเองเนี่ยเป็นพรานหนุ่มนะคะมักจะออกล่าสัตว์ในแถบดงพญาไฟได้เจอกันกับผีขโมดในคืนหนึ่ง มันมีแสงไฟลอยไปมาคล้ายหิ่งห้อยค่ะแต่ว่าแสงนั้นมันจะวูบวาบมากกว่าผีขโมดนั้นก็จะหาโอกาสที่คนหลับเข้าไปเกาะตามตัวแล้วก็ดูดเลือดจนหมดพอรุ่งสางก็จะกลายเป็นศพที่ซีดกว่าปกติเพราะว่าโดนดูดเลือดออกไปนั่นเองนอกจากนางไม้แล้วก็ผีขโมดแล้วนะคะยังมีอีกประเภทหนึ่งที่พรานป่าสมัยโบราณ น, นั้นพูดถึงกันมากนั่นก็คือโป่งข้างค่ะ ในสมัยก่อนนั้นโป่งข้างแทบจะเรียกได้ว่าเป็นผีประจําป่าดงดิบเลยก็ว่าได้หากเข้าป่าลึกครั้งใดโอกาสที่จะเจอโป่งข้างเล่นงานนั้นมีมากกว่าเสือสมิงซะอีกซึ่งเหยื่อนั้นจะถูกดูดเลือดจนตายเช่นกันสภาพศพนั้นจะแห้งซีดไปทั้งตัวเหมือนกับว่าเป็นคนขาดเลือดจนมีคําเตือนจากนายพรานในสมัยนั้นบอกว่าหากพบเห็นข้างจํานวนมากอย่าได้พูดถึงผีโป่งข้างเป็นอันขาดเพราะว่ามันจะตามมาดูดเลือด จากคำบอกเล่าที่เล่าสืบต่อกันมานะคะว่าผีโป่งข้างนั้นเกิดจากสัตว์ที่ถูกฆ่าตายหลังจากนั้นก็ได้กลายร่างมาเป็นผู้ผีปีศาจทาร้ายมนุษย์โดยบางตัวนั้นมีอิทธิฤทธิ์มากก็สามารถแปลงกายเป็นคนล่อลวงให้ผู้ที่ผ่านไปมานี่ตกเป็นเหยื่อสำหรับหน้าตาของโป่งข้างนั้นนะคะบอกว่าน่าจะคล้ายกับข้างแต่ว่าตัวใหญ่กว่ามาก ซึ่งเสียงของผีโป่งข้างนะคะตามตำนานนะคะแล้วก็เรื่องเล่าสืบต่อกันมาเนี่ยบอกว่ามันจะร้องเสียงดังป๊อกเจี๊ยกปอกเจี๊ยกนะคะเวลาออกหากินก็จะไปตัวคนเดียวไม่ชอบอยู่กันเป็นฝูง พรานเท่าผู้หนึ่งค่ะผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับป่ามากกว่าอยู่ที่บ้านซะอีกท่านได้เล่าถึงประสบการณ์ในวัยหนุ่มที่ท่านเองก็เคยเผชิญหน้ากันกับโป่งข้างตัวเป็นๆในบริเวณป่าทับลานนะคะบอกว่าในครั้งนั้นลุงพรานท่านนี้เนี่ยยังเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่เพิ่งจะเริ่มหัดเดินป่าซึ่งครั้งนั้นท่านก็เดินทางไปกับพ่อแล้วก็ไปกับพรานคนอื่นๆในขณะที่กําลังมองหาสัตว์ที่เป็นที่หมายนะคะพ่อของท่านก็ส่องปืนไปทางหนึ่งแล้วก็ย ออกไปปรากฏว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้รูปร่างคล้ายกับปลิงกระโดดไปมาแล้วก็หนีขึ้นต้นไม้ไปภายหลังจากนั้นไม่นานพ่อก็บอกกับลุงพรานว่านั่นน่ะคือโป่งท่างมันจะคอยดูดเลือดคนจนตาย ตามปกติแล้วนะคะคุณผู้ฟังในป่านั้นจะมีวิญญาณร้ายซ่อนอยู่การเดินทางเข้าไปในป่าประเภทนี้จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนายพรานผู้เชี่ยวชาญการเดินป่าแล้วก็มีคาถาอาคมแข็งกล้าร่วมเดินทางไปด้วยอีกทั้งตัวเราเองก็ต้องมีของดีติดตัวไม่น้อยค่ะและที่สำคัญต้องให้ความเคารพกับเจ้าของสถานที่แห่งนั้นด้วย สำหรับข้อปฏิบัติเหล่านี้นะคะล้วนช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องไปเผชิญกับสิ่งที่เฝ้าอยู่ในป่า อีกทั้งยังทำให้เราไม่ต้องตกเป็นผีเฝ้าป่าซะเองด้วยนะคะคุณผู้ฟงังอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เราจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆบอกว่าเป็นเรื่องของคนหลงป่าหรือว่าหายังไงก็หาไม่เจอนะคะพอ3มวันสี่วันเขาเหล่านั้นก็เดินออกมาเองแล้วก็บอกว่ามีคนเนี่ยให้อาหารให้น้ําหรือบางคนก็บอกว่ามีคนมาชวนไปอยู่ด้วยอันนี้จะเป็นเรื่องของผีพรางตาพาคนสาบสูญค่ะ พูดถึงความลึกลับซับซ้อนของป่านั้นเป็นสิ่งที่มีมากกว่าที่เรารู้แล้วก็เราเห็นแม้แต่คนในสมัยโบราณ ย, ยังย้ำเตือนให้ระวังเสมอบอกว่าป่าเป็นสิ่งมีชีวิตมันสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่ทุกวันยิ่งในป่าที่ถูกครอบงำด้วยอาถรรพ์แทบจะบอกได้ค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทุกลมหายใจ อาถรรพ์อย่างหนึ่งที่พรานป่ากลัวกันมากก็คือเรื่องของผีพรางตาหรือว่าผีบังตาค่ะซึ่งอาถรรพ์ประเภทนี้จะทำให้ผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจไม่สามารถหาทางออกจากป่าได้ก็จะได้แต่เดินวนเวียนไปมาอยู่ในป่าบางรายนะคะสามารถเห็นคนทั่วไปแต่ว่าไม่สามารถทาให้คนอื่นเห็นตัวเองได้ พูดอะไรใครๆก็ไม่ได้ยินซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงโดยสาเหตุส่วนหนึ่งนั้นนะคะมาจากวิญญาณที่อยู่ในป่ากั่นแกลง้งไม่ให้ออกจากป่าไปหรือไม่นะคะก็อาจจะลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในปา่าละค่ะทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดความไม่พอใจก็เลยดลบรนดาลให้ไม่สามารถออกจากป่าได้ต้องให้ผู้มีคาถาอาคมเหล่านั้นนะคะที่จะเป็นผู้ที่ไปช่วยแก้อาถรรพ์แล้วก็ป พากลับมาหากว่าแก้ไขไม่ทันการผู้ที่อยู่ในอำนาจผีพรางตาก็อาจจะเสียชีวิตแล้วก็วิญญาณของเขาก็จะกลายเป็นผีเฝ้าป่าไปค่ะเมื่อมีคนพลัดหลงเข้ามาในป่าก็จะมีการพรางตาอย่างที่ตัวเองเคยประสบมาก่อนนะคะ เพื่อหวังจะเอาวิญญาณไปอยู่ด้วยสืบทอดต่อๆกันไปเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์อาถรรพ์เรื่องของผีพรางตานั้นเกิดขึ้นแทบจะทุกป่าบางป่ามีให้เห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดงพญาเยน็นซึ่งถือว่าเป็นป่าที่มีความอาถรรพ์ลำดับต้นๆของเมืองไทยซึ่งดงพญาเยน็นหรือว่าดงพญา่ายนี้ก็คือป่าสถานที่เดียวกันนะคะเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนเมษายนค่ะเมื่อ ปีพุทธศักราช 2,552 เด็กหญิงอายุเพียง7ขวบชื่อเด็กหญิงนัทชาป่งสันเทียหรือว่าน้องเอ๊ะได้เกิดหายตัวไปอย่างลึกลับในระหว่างที่ครอบครัวแล้วก็ญาติญาติกว่า15คนได้เดินทางมาเที่ยวพักผ่อนที่เขาใหญ่แม่ของเธอเล่าถึงเหตุการณ์ของน้องเอ๊ะ หายตัวไปอย่างปริศนาค่ะว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงวันหยุดจึงมีคนเดินทางมาท่องเที่ยวที่เขาใหญ่เป็นจํานวนมากซึ่งในขณะนั้นคณะของพวกเธอเนี่ยได้ลงเล่นน้ําบริเวณน้ําตกกรองแก้วที่ตั้งอยู่ด้านหลังของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเธอแล้วก็ญาติญาติมองว่าบริเวณนี้น่าจะปลอดภัยหากว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นนะคะก็คงจะมีคนที่มาช่วยเหลือได้ทัน ในขณะนั้นทุกคนต่างเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานค่ะเวลาแห่งความสุขก็ผ่านไปจนค่าทุกคนก็เลยพากันกลับบ้านคณะของเธอเองก็เช่นกันโดยได้เดินทางออกมาจากอุทยานดังกล่าวแต่ว่าระหว่างทางนั้นเองค่ะแม่ของน้องเอรู้สึกเฉลียวใจว่าไม่เห็นลูกของตัวเองขึ้นรถมาด้วยก็เลยรู้ทันทีค่ะว่าน้องเอหายไปหลังจากนั้นนะคะก็รีบกลับรถไปยังอุทยานอีกครั้งแล้วก็ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่อุทยานให้ช่วยเหลือซึ่งในขณะนั้น เจ้าหน้าที่อุทยานผู้ชำนาญเส้นทาง15คนก็ได้ออกตามหาน้องเอทุกซอกทุกมุมโดยเริ่มจากจุดที่ลงเล่นน้ำทั้งเดินหาทั้งดำน้ำหาก็ไม่ปรากฏแม้เงาของเด็กหญิงนะคะสุดท้ายเมื่อใกล้ค่าทีมค้นหาก็เลยหยุดเพราะว่าเมื่อตกดึกป่าแห่งนี้อันตรายมากการค้นหาผ่านไป3วันค่ะเจ้าหน้าที่แทบจะพลิกผืนป่าขึ้นมาดูแต่ก็ไม่เห็นร่างของน้องเอแม้แต่ปลายเส้นผม พ่อแม่ของเด็กหญิงก็เลยเริ่มใช้วิธีทางไสยศาสตร์เข้ามาช่วยโดยนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีขอขมาเจ้าพ่อเขาใหญ่บริเวณน้ำตกกรองแก้วซึ่งในวันที่สีของการค้นหาช่วงประมาณบ่ายสองโมงครึง่งเจ้าหน้าที่อุทยานก็ค้นพบน้องเอะนอนสลบอยู่ที่โขดหินด้วยท่าทางอิดโรยในขณะนั้นค่ะเธอสวมเสื้อยืดสีส้มแล้วก็กางเกงสีเทาชุดเดียวกันกับที่ใส่ในวันเกิดเหตุ แต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกใจนะคะว่าบริเวณที่ค้นหาเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้พบร่างของเธอห่างจากน้ำตกกรองแก้วประมาณ300เมตรเท่านั้นแล้วก็บริเวณดังกล่าวนั้นนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าได้ค้นหาซ้าแล้วซ้าเล่าไม่รู้กี่ครั้งหลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำน้องเอซึ่งอยู่ในสภาพหมดแรงไปส่งที่โรงพยาบาลเพราะว่าไม่ได้กินข้าวมานานถึง4วันนะคะอาศัยแต่น้าบริเวณน้าตกประทังชีวิต จากคําบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ค่ะบอกว่าบริเวณลําตัวของเด็กหญิงนั้นเต็มไปด้วยทากดูดเลือดแล้วก็เห็บเกือบร้อยตัวหากว่าปล่อยไว้นานกว่านี้ก็สงสัยนะคะว่าคงถูกสัตว์พวกนี้ดูดเลือดจนเสียชีวิตแน่นอนหลังจากที่น้องเอได้สติพอพูดได้บ้างค่ะพ่อแม่ของเธอก็ดีใจนะคะบอกว่าได้ลูกสาวกลับคืนมาซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นเด็กหญิงได้เล่านะคะบอกว่าเธอไม่ได้เคลื่อนย้ายหรือว่าเดินไปไหนเลยเธอนั่งอยู่บริเวณนั้นมาตั้ง แต่ต้นแล้วพยายามเรียกให้คนที่ผ่านไปมานี้ช่วยแต่ว่าไม่มีใครมองเห็นเธอจนกระทั่งเธอหมดสติไปเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เลยทําให้เรื่องราวของความอาถรรพ์แห่งป่าแห่งนั้นนะคะแพร่สะพัดไปทั่วผู้คนก็ต่างหวาดกลัวไม่น้อยเพราะขนาดกลางวันแสกแล้วก็มีผู้คนจํานวนมากรายล้อมยังสามารถเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาได้ ก่อนท right huh? ี่จะเกิดเหตุการณ์น้องเอวันนั้นค่ะก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแปลกๆทำนองเดียวกันในแถบป่าเขาใหญ่มาก่อนซึ่งมีผู้ที่มีญานทิพทั้งหลายเนี่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าโดนผีพางตาเอาไว้เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนสิงหาคมในปี50นะคะโดยเครื่องบินเล็กฝึก ตกบริเวณป่าเขาใหญ่พร้อมด้วยนายพาคินไทยถนอมซึ่งเป็นครูฝึกบินแล้วก็นายระนบเหลียงวิลาวันนักบินฝึกหัดค่ะซึ่งทั้งสองขาดการติดต่ออย่างสิ้นเชิงนะคะภายหลังก็มาทราบเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่แล้วก็ครอบครัวต่างก็พากันตามหาร่องรอยของเครื่องแล้วก็หวังลึกๆนะคะว่าจะมีผู้รอดชีวิตซึ่งในขณะนั้นทุกคนเองก็ต่างพากันไปยังป่ารกทึบแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ค่ะบอกว่าเป็นจุดที่เครื่องบินตกแต่ เมื่อไปถึงปรากฏว่าไม่มีซากเครื่องบินหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยืนยันว่าเป็นจุดที่เครื่องบินตกเลยการค้นหานั้นก็ยังคงดําเนินต่อไปส่วนฝ่ายครอบครัวของผู้สูญหายทั้งสองก็เลยหันมาใช้วิธีทางศิยศาสตร์เข้าช่วยโดยบนบานกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วก็มาขอขมานะคะที่นักบินทั้งสองเนี่ยบินผ่านป่าโดยไม่ได้ขออนุญาตพร้อมทั้งขออนุญาตเปิดป่าเพื่อช่วยเหลือบุคคลทั้งสอง แต่หลังจากนั้นทีมค้นหาก็ยังคงหาไม่พบนะคะในจุดที่เครื่องบินตกหลังจากนั้นครอบครัวก็ได้พึ่งสยศาสตร์อีกครั้ง ด้วยการสื่อสารกับวิญญาณของนายระนบผ่านร่างทรงซึ่งวิญญาณในร่างทรงได้กล่าวไว้หลายอย่างค่ะโดยมีใจความสําคัญบอกว่าให้พ่อและแม่ไปดูจุดที่เครื่องบินตกโดยให้ไปที่เขาใหญ่จะมีต้นไทรที่ติดกับถนนใหญ่สายนาครนายกทางทิศตะวันตกจะมีไร่องุ่นและไร่ข้าวโพดนะคะก็ให้เข้าไปทางนั้นเส้นทางนั้นจะเป็นถนนปูนที่รกๆหน่อยแล้วก็ยังมีการพูดถึงน้ําตกสาววิตรีอีกด้วยค่ะ แต่ว่าหากว่าไม่พบแสดงว่าเขาปิดบังไว้แม้ว่าการติดต่อผ่านร่างทรงครั้งนั้นจะพูดออกมาไม่ค่อยชัดเจนเป็นการพูดเหมือนว่าผู้ฟังต้องประติดประตอแล้วก็ตีความหมายเอาเองในครั้งนั้น แต่ว่าสิ่งที่หลายคนเข้าใจตรงกันว่าการที่ไม่พบซากเครื่องบินในครั้งนั้นเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างปิดบางอำพรางเอาไว้นะคะซึ่งหลังจากที่ครอบครัวของผู้สูญหายทั้งสองก็ยังไปขอให้พระภิกษุรูปหนึ่งค่ะนั่งดูทางในด้วยก็ได้บอกถึงจุดที่เครื่องบินตกที่คล้ายคล้ายกัน แต่ว่าถึงกระนั้นการค้นหาที่ยาวนานกว่า1ปีก็ได้สิ้นสุดลงเพราะว่าทีมค้นหาไม่สามารถค้นหาต่อไปได้ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวผู้สูญหายทั้งสองคนซึ่งปัจจุบันนี้ เป็นเวลากว่า11ปีแล้วนะคะแต่ก็ยังราร่องรอยแล้วก็ไม่มีวิวแววใดๆมีเพียงแค่คําเล่าขานของชาวบ้านที่ออกไปหาของป่าบอกว่าพบซากเครื่องบินแล้วก็เห็นนักบินฝึกหัดนั่งอยู่ข้างบนเครื่องไม่นานคะ่ะภาพดังกล่าวก็สลายไปเหมือนกับไอหมอกทําให้ต้องวิ่งกลับบ้านกันแทบไม่ทัน ภายหลังเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทราบเรื่องดังกล่าวก็เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวแต่ก็ไม่มีวี่แววอย่างที่ชาวบ้านเอ่ยถึงนะคะทั้งสองเรื่องราวนั้นเป็นเพียงเสี้ยวเศษแห่งอาถรรพ์ผีพรางตายังมีเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวอีกมากมายที่ทําให้เราได้เห็นว่าอาถรรพ์ผีพรางตานั้นกลายเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับป่าอาถรรพ์ไปซะแล้วคงเป็นเรื่องที่ยากยิ่งนะคะหากจะลบอาถรรพ์นี้ให้หมดไปจากผืนป่า เราก็คงได้เพียงแค่หลบเลี่ยงไม่ให้ตนเองเนี่ยตกเป็นเหยื่อของมันเท่านั้นเองป่านั้นได้ชื่อว่าเป็นบ้านหลังที่สองของคนเราค่ะเป็นผู้ให้ทั้งที่อยู่อาหารเครื่องนุ่งหม่มรวมไปถึงยารักษาโรคมีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้แต่อีกด้านหนึ่งของป่าค่ะก็ได้แอบซ่อนความน่าสะพรึงกลัวเอาไว้จนมนุษย์ยังยากที่จะยั่งถึง ความลี้ลับความอาถรรพ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจแล้วก็สัตว์ร้ายต่างๆไม่เคยปราณีผู้ที่ย่างกรายเข้าไปในป่าอย่างประมาทและเย่อหยิ่งตอบแทนในสิ่งที่ผู้นั้นได้ล่วงละเมิดไปด้วยความตายและหายนะอย่างน่ากลัวเกินที่จะคาดคิดแม้ว่าจะมีช่วงหนึ่งที่พลังลึกลับแห่งป่านั้นถูกลืมเลือนไปแต่ทุกวันนี้ สิ่งเหล่านั้นกำลังจะกลับมาเตือนมนุษย์ว่าอย่าล่วงล้ำเข้าไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์มากกว่านี้การที่คนเราจ้องแต่จะหาผลประโยชน์จากป่าจ้องทำลายบ้านหลังที่สองของตัวเองทำให้เกิดหายนะครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอุทกภยัยดินถล่มแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนั่นน่าจะเป็นอาถรรพ์ที่รุนแรงที่สุดที่คนเรานั้นได้เคยสัมผัสมาหากว่าคนเรายังไม่หยุดป่าก็ย่อมไม่หยุด นั่นจะทำให้เกิดสงครามระหว่างป่าและก็คนในอนาคตอันใกล้ได้อย่างแน่นอนและเมื่อ น, นั้นเราคงจะได้เห็นกันนะคะว่าอาถรรพ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ป่าจะสาปแช่งมนุษย์นั้นคืออะไร